การปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อมรักผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเกิดเพราะว่าเป็นนักบวชหรือเป็นาราวาดเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ใหญ่หรือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้บรรลุถึงพระนิพพานเหตุที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุผลได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้นั้นก็คือวิริยะความภาคเพียรความเพียรความพยายามเป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นนักบวชหรือเป็นข้าหลวงผู้คลองเรือนไม่ได้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการมีผู้บรรลุผล บ, บรรลุมรรคผลนิพพานมีผู้หลุดพ้นจากกองทุกมีทุกเพศทุกวัยมีบุคคลชนิดต่างๆมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชมีทั้งค่าววาสผู้ครองเรือนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราสบายใจได้ว่าพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพวกเรามีวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือ เหตุที่จะทำให้เราได้บรรลุถึงผลที่เราต้องการกันคือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพระพุทธจเจ้าทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญให้มากก็คือความเพียรเองความเพียรก็คือการกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นต้นก็ให้เพียรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้และเราก็จะทำไม่ถูกเมื่อทำไม่ถูกผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นขัานแรกให้เปลี่ยนพยายามศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้อันนี้ก็เรียกว่า เป็นความเพียรอย่างหนึ่งแล้วเพียรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาบ่อยๆเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีรายละเอียดหลากหลายแต่การศึกษานี้ไม่ควรจะแยกออกจากการปฏิบัติเพราะถ้าไปแยกแล้วมันจะลืมได้ เราศึกษาแล้วเราท่องจำแต่เราไม่เอาไปปฏิบัติเราขอศึกษาให้จบก่อนอย่างที่สมัยนี้เขามีแยกการศึกษาออกจากการปฏิบัติผู้ศึกษาก็เลยมีแต่การศึกษาไม่มีการปฏิบัติและสิ่งที่ศึกษาก็จะลืมได้ศึกษาแล้วพอ พอสอบผ่านขั้นที่หนึ่งก็ไปเรียนขั้นที่สองพอเรียนขั้นที่สองเดี๋ยวก็ลืมขั้นที่หนึ่งเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติจะไม่ลืมทางทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ต้องมีการศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติไปพร้อมๆกัน เราศึกษาว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราก็ทำไม่ใช่ว่าศึกษาเฉยๆแล้วยังไม่ทำเช่นสอนให้ทาทานแต่เรายังไม่ทำขอศึกษาขั้นศีลก่อนขอให้ศึกษาขั้นภาวนาก่อนศึกษาให้จบก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติพอถึงเวลามาปฏิบัติก็จะลืม จะจำไม่ได้ว่าเราต้องอกระทำอะไรบ้างดังนั้นการศึกษาที่ถูกต้องต้องศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติแล้วเราจะได้ไม่ลืมเพราะการปฏิบัตินี้จะทำให้มันฝังอยู่ในใจของเราถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวมันลืมได้ เหมือนกับถ้าเราหัดขับรถด้วยการอ่านตำราแล้วเราไม่เคยไปขับรถพอถึงเวลาจะขับก็ขับไม่ได้แต่ถ้าเราดูตำราไปหัดขับไปผิดตรงไหนก็มาตรวจ ด, ดูตรงตำราว่าเราขับไม่ถูกตรงไหนอย่างไรแล้วก็หัดขับไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะจําได้จะขับรถได้อย่างถูกต้องไม่มีการผิดพลาดแตถ้าเราขอศึกษาเรื่องของรถยนต์ให้รู้หมดก่อนแล้วค่อยไปขับให้รู้ว่าพวงมาลัยเป็นอย่างไรเบรกเป็นอย่างไร เ, เกียร์เป็นอย่างไรคันเร่งเป็นอย่างไร ถ้าโม่ไปศึกษาแต่ไม่เคยไปขับนะพอเวลาจะขับก็ขับไม่ได้เังน้เราต้องศึกษาไปแล้วก็ปฏิบัติโวบคู่กันไปแล้วมันจะเข้าไปในใจเราจะเข้าใจความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จะทำให้เราไม่ลืมแต่การจำได้จากการศึกษานี้เรายังลืมได้ เช่นพอเราสอบเสร็จเราก็จะไปอ่านาตำราเล่มอื่นต่อตำราที่เราได้สอบผ่านไปแล้วพอไม่กี่เดือนเดี๋ยวเราก็จำไม่ได้แล้วถ้าให้ไปสอบใหม่ก็อาจจะสอบตกก็ได้ถ้าไม่กลับไปดูตำราใหม่การศึกษากับการปฏิบัติ ของทางพระพุทธศาสนานี้เป็นการกระทำควบคู่กันไปพร้อมๆกันเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกสอนลูกให้เดินสอนลูกให้คลานสอนลูกให้ยืนสอนลูกให้เดินสอนลูกให้พูดสอนลูกให้รับประทานอาหารดื่มน้า สอนลูกให้อาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวสอนไปก็มีการปฏิบัติควบคู่กันไปลูกๆจึงไม่ลืมพอสอนไปได้เดี๋ยวพอเขาปฏิบัติตามได้เขาก็จะไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องมาคอยสอนซ้ำซากอยู่เรื่อยๆเขาก็จะรู้ว่าดื่มน้ำดืมอย่างไรรับประทานอาหารรับประทานอย่างไร อาบน้ำอย่างไรแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรนี่คือการศึกษาและการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาต้องมีการกระทําร่วมกันถ้าไม่รู้ก็ศึกษารู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่ารู้เฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติเดี๋ยวมันจะลืมแล้วก็จะไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้กระทำเมื่อไม่ได้กระทำผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดัางนั้นการทำความเพียรทางพระพุทธศาสนานี้ต้องเพียรศึกษาแล้วก็เพียรปฏิบัติควบคู่กันไปไปพร้อมๆกันแล้วก็เจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดในรายละเอียดต่างๆที่มี หลากหลายด้วยกันเรื่องของการทําทานนี้ก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดหลากหลายด้วยกันถ้าเราไปโม่แต่ศึกษารายละเอียดแล้วเราไม่นำเอาไปปฏิบัติเราก็จะลืมได้ว่าวิธีทําทานที่ถูกต้องนั้นทําทานอย่างไรแต่ถ้าเราศึกษาไป นำเอาไปปฏิบัติไปเราก็จะเข้าใจและเราจะรู้ว่าทำไมเราต้องมาทำทานกันเพราะเท่าที่สังเกต ด, ดูการทำทานในสมัยนี้สำหรับชาวพุทธบางคนนี่ก็ทำทานโดยไม่เข้าใจหลักของการทำทานว่าทำเพื่ออะไร ทำอย่างไรแค่เราคงได้ยินว่าการทําบุญทําทานนี้เราควรจะเลือกทํากับคนนั้นคนนี้แล้วก็บางทีก็ได้ยินว่าการทําทานนี้ทํากับใครก็ได้ได้ได้บุญเหมือนกันอันนี้ถ้าเราไม่นําเอาไปปฏิบัติเราก็จะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ แต่ถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะเข้าใจว่าเวลาเราทำบุญเราเลือกคนเพื่ออะไรเวลาเราทำบุญแล้วเราไม่เลือกคนเพื่ออะไรเพราะว่ามีเป้าหมายไม่ไม่เหมือนกันนั่นเองการทำบุญถ้าเราต้องการได้บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปัน เราก็ทำกับใครก็ได้ขอให้เราได้เสียสละสิ่งของหรือเ ง, งินทองที่เราต้องการที่จะเสียสละให้กับผู้อื่นผู้รับนี้จะเป็นใครก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราได้เสียสละได้แบ่งปันเือนี่คือเรื่องของการ ทำบุญเพื่อให้เกิดความความสุขใจขึ้นมาในใจของเราเราทำกับใครเราก็ได้บุญเหมือนกันขอให้เราทำกับคนที่เราอยากจะทำเราเราอาจจะมีความออสนใจหรือมีความเมตตาต่างกันไปบางคนก็เมตตากับสัตว์เลี้ยง บางคนก็เมตตากับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนบางคนก็เมตตากับ เ, เด็กกาพรา้าหรือเด็กนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีความเมตตาต่อบุคคลต่างๆไม่เหมือนกันเวลาทำบุญอาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน ถ้าได้ทำบุญกับคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเราทำแล้วเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขกว่าการทำบุญกับบุคคลที่เราไม่ได้มีความที่อยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็อยู่ที่ผู้กระทาว่าทำแล้วอย่างไรมีความสุขใจมากกว่าขอให้รู้กันละกันว่าบุญคือความสุขใจเราทำบุญเพื่อความสุขใจ บางทีเราไม่มีความสุขใจเราอยากมีความสุขใจเราก็เลยไปเอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อกันแล้วเราก็คิดว่าเราเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ความสุขใจแบบนี้เป็นความสุขใจที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขใจเดี๋ยวเดียว ชั่วขณะที่ไปเที่ยวกันก็ได้ความสุขใจขณะที่ได้ซื้อของที่เราอยากจะซื้อก็มีความสุขใจแต่มันจะหายไปหลังจากที่เราได้ซื้อแล้วได้ไปเที่ยวแล้วแล้วมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขใจมันก็จะทำให้เราต้องไปซื้อไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขใจ แต่มันก็จะมีปัญหาตามมาได้เพราะถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อของหรือไปเที่ยวเราก็จะทุกข์ใจกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราเอาเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับผู้อื่นที่เราอยากจะให้เขามีความสุขเช่นมันเกิด เขาวันสำคัญอะไรของเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ซื้อของอะไรไปให้เขาความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับใจเราไปนานกว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วเราคิดถึงการให้ของเรามันก็ยังทําให้เรามีความสุขอยู่และมันทําให้เราไม่หิว ทาให้เราเวลาที่เราไม่ได้ทําบุญทําทานเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเช่นบางเวลาเราอาจจะไม่มีเงินทําบุญทําทานแต่บุญที่เราได้ทําไว้มันก็ยังทําให้ใจของเรามีความสุขและมีความอิ่มได้อน่าจะทําให้เราไม่ติดกับการที่จะต้องไปทําบุญเราทําเพื่อ เราทำเพราะว่าหนึ่งเรามีเงินเกินที่เราจะใช้ได้เราก็ใช้เงินส่วนเกินนี้ไปกับการทำบุญแต่เงินที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้จะต้องมีไว้ใช้กับสิ่งจำเป็นเราก็ยังมีอยู่เราก็เวลาที่ไม่ได้ทำบุญเพราะเงินทำบุญหมดเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็น พอซื้อแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้ซื้อมันจะรู้สึกหงดหงิดนำคาญใจแล้วเวลาเงินที่เป็นส่วนเกินหมดก็อาจจะเอาเงินที่ต้องเก็บเอาไว้มาใช้เงินที่ควรจะเก็บไว้สําหรับใช้กับสิ่งที่จําเป็นอาจจะต้องหมดไปด้วยกับการที่เราเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ แล้วจะทำให้เราเดือดร้อนที่หลังได้เพราะว่าเงินจะหมดเงินจะไม่มีใช้ก็จะทำให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาแล้วก็ต้องมีภาระดอกเบี้ยมีอะไรกดดันจิตใจนี่เป็นเพราะว่าเราใช้เงินซื้อความสุขแบบไม่ถูกซื้อความสุข แบบปลอมเป็นความสุขชั่วคราวแต่ถ้าเราเอาเงินที่เรามีส่วนเกินที่เราอยากจะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาด้วยการเอาไปทาบุญทาทานเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากเกินไปเพราะว่า เราจะไม่เอาเงินที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้กับสิ่งจำเป็นเอาไปใช้เพราะจะไม่มีความอยากทำบุญมาคอยกดดันเราเหมือนกับความอยากไปเที่ยวความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆความอยากเหล่านี้มันจะมาคอยกดดันใจของเราให้ไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อยๆ แล้มันก็จะบังคับให้เราเอาเงินทองที่เราต้องเก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นเอามาใช้หมดแต่การทําบุญจะไม่เป็นอย่างนั้นการทําบุญแล้วจะไม่ทําให้ใจเราเกิดมีความอยากไปเที่ยวหรืออยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยแต่กลับจะทําใจให้เรามีความสุขมีความอิ่มอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้จากการทําบุญของเรา แล้วถ้าไม่มีเงินทำบุญเงินหมดเงินที่จําเป็นจะต้องเก็บไว้เราก็เก็บไว้ได้เพราะความอยากทำบุญมันจะไม่มากดดันบังคับให้เราต้องไปทำบุญอีกนี่คือการปฏิบัติจะทำให้เราเข้าใจว่าการทำบุญเพื่อความสุขใจนี้ทำอย่างไรแล้วส่วนการทำบุญ เพราะต้องเลือกคนธรรมนี้ทําไมเราจึงต้องเลือกคนธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าเวลาเราไปทําบุญกับพระเนี่ยเราจะมีโอกาสได้คุยกับพระได้สนทนาธรรมพระท่านจะคุยเรื่องธรรมะกับเราเวลาที่เราไปทําบุญกับพระพระก็มีหลายระดับด้วยกันที่มีพระมีธรรมะ มากน้อยต่างกันถ้าเราไปคุยกับพระที่มีธรรมะมากเราก็จะได้ธรรมะมากได้ความรู้มากทาบุญกับพระที่มีธรรมะน้อยก็จะได้ความรู้น้อยอันนี้เป็นผลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากการไปทาบุญคือนอกจากจะได้บุญจากการเสียสละแบ่งปันเงินทองข้าของให้แก่ ผู้ที่เราไปทําบุญแล้วผู้ที่เราไปทําบุญด้วยเขาก็อาจจะมีอะไรให้เรากลับมาเป็นของตอบแทนกันเอเป็นสินน้ําใจอถ้าเราไปทําบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่ได้ธรรมะกลับมาแต่ถ้าเขามีความรู้อย่างอื่นเราก็จะได้ความรู้อย่างอื่นเช่นถ้าเราไปทําบุญกับโรงพยาบาล เราก็จะได้คุยกับหมอหมอก็จะคุยเรื่องการรักษาโรคภยัยไ้เจ็บให้เราฟังเราก็จะได้ความรู้ทางด้านการรักษาโรคภยัยแค้เจ็บถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้คุยกับคุณครูก็จะได้ความรู้ทางวิชาการต่างๆอันนี้เป็นผลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากการทำบุญ เป็นผลที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปให้ข้าวให้ของให้เงินทองกับเขาอันนี้ถ้าเราต้องการสิ่งนี้จากบุคคลที่เราไปทาบุญเราก็ต้องเลือกอว่าเราต้องการอะไรต้องการความรู้แบบไหนเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ามันรถเวลาเติมน้ามันรถนี้เป้าหมายหลักของเราก็คือต้องการน้ามันรถ เพื่อให้รถเราจะได้วิ่งไปไหนมาไหนได้แต่สถานีบริการบางแห่งเขาก็มีของแจกของแถมให้กับผู้ที่มาใช้บริการบางแห่งก็แจกยาสีฟันแปรงสีฟันบางแห่งก็แจกผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวดัองอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการของแจกอย่างไหนถ้าเราต้องการยาสีฟันแปรงสีฟันเราก็ไป สถานีบริการที่แจกสิ่งเหล่านี้อันนี้นอกจากเราจะได้น้ำมันแล้วเราก็จะได้ของแถมด้วยของแจกมาด้วยอันนี้ถ้าเราต้องการของแถมของแจกเราก็ต้องเลือกสถานีบริการแต่ถ้าเราต้องการน้ำมันเพียงอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องเลือกเจอสถานีบริการไหนใกล้ที่สุดเราก็แวะจอดเติมได้เลย เนี่ยการทำบุญทำทานจึงมีสองเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกก็คือสร้างความสุขใจอิ่มใจให้กับเราอันนี้เราทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับสัตว์ก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควาย เป็นการถ่ายชีวิตให้เขามีอิสระภาพอันนี้มันก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแต่เราอาจจะไม่ได้รับอะไรจากเขา<ม>เช่นถ้าเราไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็จะไม่ได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาเพราะเขาก็พูดกับเราไม่รู้เรื่องเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเราไปทำบุญกับคนที่มีความรู้เช่นไปคุยกับพระพระก็มีความรู้หลายระดับพระธรรมดาก็จะรู้เรื่องการรักษาศีลถ้าพระที่ เ, เข้าฌานได้ก็จะมีความรู้เรื่องของการนั่งสมาธิของการเข้าฌานมาสอนเราถ้าไปคุยกับพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบัน ท่านก็จะมีปัญญาสอนให้เราปล่อยวางร่างกายได้ถ้าเราไปาทำบุญกับพระสกิรดาคามีพระอนาคามีท่านก็จะสอนให้เรารู้จัก อ, อยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวเวอยู่แบบไม่ต้องมีแฟน อ, อยู่แบบไม่ต้องมีครอบครัวเราถ้าเราไปทำบุญกับพระอรหันต์ได้ ท่านก็จะสอนว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเลยอยู่คนเดียวไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราจะได้รับต่างกันไปผู้ที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ก็จะไม่สามารถสอนสิ่งที่พระอรหันต์รู้ได้ก็เหมือนกับอาจารย์ที่จบปริญญา ระดับต่างๆอาจารย์จบระดับปริญญาตรีก็สอนความรู <ites> <Short> ้ได้ระดับปริญญาตรีจะไปสอนความรู้ระดับปริญญาโทก็ไม่ได้ถ้าอยากจะได้ความรู้ระดับปริญญาโทก็ต้องไปศึกษากับอาจารย์ที่จบปริญญาโทถ้าอยากจะได้ความรู้ระดับปริญญาเอกก็ต้องไปศึกษากับอาจารย์ที่จบปริญญาเอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับ เวลาที่เราไปทำบุญทำทานกับบุคคลต่างๆเราก็จะได้คุยได้สนทนาและจะได้รับความรู้ะระดับต่างๆกันไปทำบุญแบบถ้าเราต้องการความรู้จากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนเราต้องการความรู้ระดับไหน ถ้าเราเพียงต้องการความรู้ระดับรักษาศีลก็ไปทำบุญกับพระทั่ ว, วไปท่านก็จะสอนเรื่องศีลให้กับเราได้เรื่องศีลห้าเรื่องศีลแปดเรื่องศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้ออันนี้พระทั่วไปจะสอนได้แต่ถ้าไปอยากจะได้วิธีนั่งสมาธินี่พระทั่วไปอาจจะไม่รู้ถ้าท่านไม่ได้นั่งสมาธิท่านก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำ ที่จะสอนให้เรานั่งสมาธิได้อย่างถูกต้องถ้าเราอยากจะได้ความรู้ระดับปัญญาอยากจะรู้เรื่องใยรักเรื่องอริยสัจสี่เราก็ต้องไปศึกษากับพระที่รู้ทางด้านปัญญาต้องเป็นพระที่บรรลุธรรมถึงจะเป็นปัญญาแท้ถ้าเป็นพระที่เพียงแต่ศึกษาแล้วเอามาจดเอามาจำอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เป็นความรู้แท้ เป็นความรู้ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัตินผู้สอนจะสอนแบบถูกต้องไม่ได้จะสอนอเหมือนกับคนที่ไม่เคยทํากับข้าวเพียงแต่อ่านตํำราของการทํากับข้าวเวลาตัวเองจะไปทํากับข้าวก็อาจจะทําไม่ถูกก็ได้แล้วจะไปสอนให้คนอื่นทํากับข้าวถูกได้อย่างไรหลคนที่ อ่านตำราแล้วแล้วก็ไปหัดทำกับข้าวจนสามารถปรุงอาหารรสชาติอันโอชาออกมาได้แล้วคนนั้นก็จะสามารถสอนผู้อื่นให้ทำอาหารให้มีรสชาติอันโอชาได้นี่ก็คือเรื่องของการศึกษากับของการปฏิบัติควรจะทำควบคู่กันไปไม่ต้องอศึกษาจนครบ เพราะว่าความรู้แต่ระดับนี้มันต้องใช้ความเพียปรปัญยาความสามารถไม่เท่ากันบางคนนี้พอได้เรียนครบก็อยากจะไประดับปัญญาเลยอยากจะบรรุธรรมเลยอยากจะข้ามขั้นการทำบุญทำทานขั้นขั้นการรักษาศีลข้ามขั้นการนั่งสมาธิเพราะ อในตำราแล้วบอกว่าปัญญานี่แหละเป็นบุญอันสูงสุดปัญญานี่แหละที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็อยข้ามขั้นจะไปที่ปัญญาเอบางคนก็อุตสาหไปเรียนอภิธรรมเพราะคิดว่าเป็นปัญญาขั้นสูงสุดใครเรียนอภิธรรมจบได้จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่า การศึกษาและการเป็นัติทางศาสนานี้ต้องทาไปเป็นขั้นตอนเหมือนกับการที่เราศึกษาทางโลกเราเริ่มต้นที่ขั้นอนุบาลพอเราเรียนขั้นอนุบาลแล้วเราเรียนรู้ว่าขั้นสูงสุดคือปัญญาเอกเราก็อยากจะข้ามขั้นไปเรียนขั้นปนิญญาเอกเลยนี้ก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเกินกำลังความสามารถของเรา ถึงแม้เราจะได้อ่านตำราและรู้ว่าความรู้อันสูงสุดนี้อยู่ที่ระดับปริญญาเอกแต่ตอนนี้เรายังอยู่ขั้นอนุบาลอยู่เราจะข้ามขั้นปฐมขั้นมัธยมข้ามขั้นปริญญาตรีปริญญาโทไปถึงขั้นปริญญาเอกเลยไม่ได้เราก็ต้องเรียนไปให้มันจบเป็นขั้นๆไปนี่คือ สิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปว่าทำแต่ละขั้นนั้นมีความจำเป็นต่อทำทำขั้นต่อไปอย่างไรขั้นแรกคือการทำทานนี้ก็เพื่อให้เราตัดการพึ่งพาอายเงินทองอเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นเครื่องมือดับทุกข์ใจ เพราะมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ดับทุกข์ใจได้อย่างแท้จริงถ้าเราไปติดอยู่กับการใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ใจเพื่อหาความสุขให้กับใจเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะไปต่อไปไม่ได้เพราะเงินทองที่เราหามาแล้วใช้ไปมันก็จะหมดหมดแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่หาอยู่เรื่อยๆหามาเราก็เอามาใช้เราก็จะไม่สามารถ มีเวลาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้เนี่ยขั้นต้นเราต้องตดภาระความผูกพันกับการใช้เงินทองการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจเป็นเครื่องมือซื้อความสุขใจให้กับเราก่อนด้วยการเอาเงินทองที่เราจะเอาไปดับความทุกข์ใจหรือไปซื้อความสุขใจด้วยการไปเที่ยวหรือการซื้อของฟุ่มเฟือย ของไม่จําเป็นต่างๆให้เอามาใช้กับการทําบุญแล้วมันจะทําให้ใจเราอิ่มใจเรามีความสุขแล้วจะทําให้เราไม่ต้องใช้เงินมากต่อไปถ้าเราไม่มีเงินทําบุญเราก็ไม่ทําก็ได้เพราะเราไม่มีเราไม่ได้ไปติดกับการใช้เงินทองเพื่อไปเที่ยวหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือย เพื่อมาดับความทุกข์ใจของเราหนื้อซื้อความสุขใจให้กับเราถ้าเราเลิกเที่ยวเลอกใช้เงินทองแบบไม่จำเป็นได้เราก็จะไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะหาเพียงแต่พอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้เราก็จะไม่มีความกดดันที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปที่เราไปทำบาปกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เราถูกกดดันด้วยความอยากอยากใช้เงินไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวกันเวลาทํามาหากินก็เลยอาจจะทําให้เราต้องช่อโกงบ้างต้องโกหกหลอกลวงบ้างเพื่อที่เราจะได้เงินทองมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่มีความกดดันที่จะต้องใช้เงินทองไปตามความอยากเราก็ไม่ต้องไปทําบาปได้ถ้าเรา ทำงานเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราซึ่งก็ไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีจานวนมากเหมือนกับเงินทองที่เราจะต้องมีไว้ใช้ตามความอยากถ้าเราลองสังเกตดูเราลองมาตรวจดูค่าใช้จ่ายเราดูดูว่าเงินทองที่เราใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับเงินทองที่เราเอาไปซื้อกับของตามความอยากต่างๆนี้อันไหนจะมากกว่ากัน รับรองได้ว่าเงินทองที่ใช้กับความอยากนี่มันจะต้องมากกว่าเงินทองที่เราใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เงินทองใช้กับสิ่งที่จำเป็นแล้วลดหรือเลิกการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมาก เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมากเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการทำบาปมันก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลห้าได้ถ้าเราไม่ทำบุญเราจะหาเงินเพื่อเอามาเที่ยวเอามาใช้ตามความอยากเราจะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหาเงินไม่ใช่ทำมาหากิน ทำมาหาเงินถ้าทำมาหากินนี่ไม่ไม่ต้องหามากจะไม่รู้สึกจะต้องไปทำบาปแต่ถ้าทำมาหาเงินหาเพื่อหาเงินมากๆอันนี้จะรู้สึกว่าจะต้องอไปทำบาป ก, กันถึงจะได้เงินมากๆง่ายๆเร็วๆอันนี้คือหน้าที่ของการทำทาน เพื่อจะได้ส่งให้เราขึ้นสู่ขั้นที่สองคือการรักษาศีลถ้าเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องไปทําบาปเราก็จะรักษาศีลห้าข้อได้อย่างง่ายดายเมื่อเรารักษาศีลห้าได้เราก็สามารถที่จะเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปได้ เพราะการที่เราจะขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นภาวนาได้เราก็ต้องมีศีลห้าศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนเป็นเหมือนขั้นบันไดบันไดขั้นที่หนึ่งก็คือทานขั้นที่สองก็คือศีลศีลห้าขั้นที่สามก็คือศีลแปดพอเราได้ศีลแปดเราก็จะมีเวลาไปภาวนาไปนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบ ศีลแปดนี้จะทําให้เรางดกิจกรรมต่างๆศีลห้ายังไม่บังคับไม่ห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายศีลห้ายังอนุญาตให้เราร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้หลับนอนกับสามีภรรยาได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปแล้วจะหลับนอนกับใครไม่ได้เพราะไม่ต้องการจะเสียเวลากับการหลับนอนกัน ใหเอาเวลาที่จะไปหลับนอนกันนี้มาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบจะดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการร่วมหลับนอนกันเป็นการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการอยากร่วมหลับนอนกันที่ดีกว่าเพราะจะ ทำให้เราอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้การมีคู่ครองมันก็ดีตอนที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีการพัดภาคจากกันเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์เพราะเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะอยู่คนเดียวได้เราจะไม่เดือดร้อน ถ้าเรามีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองจะไม่เป็นปัญหากับเราเพราะเราสามารถหาความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีคู่ครองเราสามารถหาความสุขได้ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราก็จะมีความสุขอยู่เฉยๆได้อยู่คนเดียวได้ดูไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้ ไม่ต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นรับประทานอาหารค่ำรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันนี้ก็เหลือเฟือแล้วถ้ารับประทานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างกายรร่างกายไม่ต้องกินอาหารสามมือ้อสามเวลารับประทานมื้อเดียวก็พอขอให้รับประทานให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายก็อยู่ได้ไม่ตายอย่างแน่นอนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายและอาจจะดีเสียด้วยซ้ําไปเพราะจะทําใหา้ควบคุมน้ําหนักได้จะทําให้ร่างกายไม่มีน้ําหนักเกินเพราะมีน้ําหนักเกินนี้ก็จะเป็นโทษกับร่างกายเพราะจะมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนร่างกายได้เช่นไขมันสูงน้ําตาลสูงเป็นเบาหวาน ความดันสูงเป็นโรคหัวใจอาจจะทําให้เส้นสมองอุดตันเป็นอมตะพฤกอมะภา พ, าพาต่อไปได้ถ้าไม่ระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคอาหารแต่ถ้าเราสามารถถือศีลแปดได้การบริโภคอาหารของเราจะถูกควบคุมไว้จะทําให้เราไม่บริโภคมากเกินไปจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมีสุขภาพที่ สมบูรณ์ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วเราก็จะได้มีเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิเพราะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารเราก็สามารถปฏิบัติทำได้ต่างๆเที่ยงวันไปแล้วจนถึงเวลาที่เราจะหลับนอนเลยแต่ถ้าเรายังต้องรับประทานอาหารค่ายังร่วมหลับนอนกับแฟน แล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติทําได้ไม่มีเวลาเพราะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะนบมัวคิดถึงอาหารข้ามอาหารเย็นต่อไปว่าจะไปรับประทานอาหารที่ไหนแล้วก็ไปมัวคอยรอเวลารับประทานอาหารกันแล้วพอรับประทานอาหารอิ่ก็จะไปคิดถึงการร่วมหลับนอนกับแฟน เราจะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิถ้าเราไม่ได้ถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดแล้วเราจะมีเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่เราก็จะมีเวลาว่างเพราะนอกจากการไม่ไปรับประทานอาหารข้าวแล้วเราก็จะไม่ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราจะเว้นมหโลศบันเทิงต่างๆ ้เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเสริมสวยความงามของร่างกายเวลาเราจะไปเที่ยวข้างนอกเราก็ต้องมาเสริมสวยความงามของร่างกายอีกเสียเวลาไปเยอะแยะไปกับกิจกรรมเหล่านี้ที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี่ยวๆซื่เอเ่าเวลามาหาความสุขแท้ความสุขจริงที่จะติดอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆนานๆจะดีกว่า น่าจะเป็นความสุขที่เราจะอยู่ยกับเราไปได้อย่างถาวรต่อไปเพราะว่าถ้าเรารู้จักวิธีทาใจให้สงบได้แล้วต่อไปเราก็จะทําได้ตลอดเวลาที่เราต้องการเราก็จะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เราได้จากคู่ครองของเรา ความสุขที่เราได้จากการเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออะไรต่างๆความสุขเหล่านี้มันจะต้องหมดไปวันใดวันหนึ่งเพราะมันไม่เที่ยมแท้แน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็อาจจะเสริมได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยชอบอก็อาจจะหายไปได้ทุกอย่างมันจะมีวันเสริมมีวันหมดเนี่ย พอเราเข้าขั้นวัยชราเวลาเราแก่หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเราจะตายนี่เราจะไม่สามารถมีความสุขได้เลยถ้าเราพึ่งร่างกายพึ่งตาหูจมูกร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่ถ้าเรามาสร้างความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบได้ เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องพึ่งแฟนไม่ต้องพึ่งอาหารไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการทําใจให้สงบอันนี้แหละเป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องหาความสุขจากการทําใจให้สงบเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องรักษาศีลแปดกันถ้าเราอยากจะมีเวลามาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบการจะฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ต้องมีสติสตินี้คือสิ่งที่จะมาหยุดความคิดของของใจหยุดความอยากของใจได้ถ้าไม่มีสติเราจะหยุดไม่ได้ ถ้าตอนนี้เรานั่งเฉยๆแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติเราจะสามารถนั่งเฉยๆหยุดความคิดหยุดความอยากที่ตามมากับความคิดได้ถ้าความคิดความอยากหยุดลงไปใจเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องมาสร้างสติเพื่อมาให้หยุดมัน วิธีสร้างสติก็คือให้เราคิดอยู่กับเรื่องเดียวรู้อยู่กับเรื่องเดียวแช่ให้คิดอยู่กับคำบาลีกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าไม่คิดก็อยากให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรู้กับการกระทาต่างๆของของร่างกายให้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ดูไปให้รู้ว่ากาลังทาอะไร อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเช่นถเรากําลังรับประทานอาหารให้ก็อยู่กับการรับประทานอาหารให้รู้ตั้งแต่ตอนที่ตักอาหารเข้ามาใส่ปากรู้ขณะที่กําลังเคี้ยวรู้ขณะที่กําลังกลืนให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายอย่าตักอาหาร รับประทานอาหารเคี้ยวกลืนแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมๆกันถ้าอย่างนี้เป็นการไม่มีสติเพราะเราไม่หยุดความคิดเราต้องหยุดความคิดด้วยการบังคับให้มาคอยเฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้าเราคอยจดจอ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ นี่ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมบังคับให้ใจเรารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะว่าถึงแม้จะเฝ้าดูอย่างไรมันก็ยังหนีไปคิดอยู่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้คำบริกรรมดึงมันกลับมาเพราะถ้าเราใช้คำบริกรรมคิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธความคิดก็จะไปคิดไม่ได้จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะเราคิดเรื่องเดียวกันพร้อมๆมกันไม่ได้ สองเรื่องพร้อมกันไม่ได้เราคิดได้คิดได้เพียงทีละเรื่องถ้าเรากำลังพูดโทรอยู่เราจะไปพูดกับคนนั้นคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราจะไปพูดกับคนนั้นคนนี้เราก็ต้องหยุดพูดโทรก่อนนี่ก็คือวิธีที่เราจะหยุดความคิดได้ถ้าเราไม่สามารถสั่งให้ความคิดหยุดได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมา สติจะมีได้ก็คือมีพุโทโธพุธโทโธถ้าเราฝึกพุโทโธไปเรื่อยแล้วต่อไปพอเรามีสติแล้วเราหยุดความคิดได้แล้วเราไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้พอรู้ว่ากำลังคิดเราก็บอกให้หยุดคิดได้สั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดคิดได้เลยอันนั้นก็แสดงว่าเรามีสติแล้วเราไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้สั่งให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สังให้มันดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าสั่งแล้วมันไม่อยู่ด้วยมันจะไปคิดเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธดึงมันกลับมา น, นี่ก็คือวิธีฝึกสติเพื่อหยุดความคิดเพราะถ้าเราไม่หยุดความคิดใจเราจะไม่นิ่งใจเราจะไม่สงบแล้วใจเราจะไม่มีความสุขแล้วมันจะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา อยากในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเกิดความอยากแล้วเดี๋ยวเราก็จะทนอยู่กับการรักษาศีลไม่ได้อาจจะรักษาได้วันเดียวก็สติแตกแล้วตาบะแตกเขาเรียกตะบะแตกศีลขาดทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ต้องลาจากการถือศีลแกลับไปถือศีลห้าแล้วถ้าไม่ละมั่ระวังก็อาจจะต้องลาศีลห้าด้วยก็ได้ถ้าปล่อยให้ใจคิด อยากได้สิ่งต่างๆมากๆขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทําให้ต้องกลับไปทำบาปได้เพราะถ้าไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดความอยากให้ไปทำอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทำํำดังนั้นเราต้องพยายามถึงแม้เราจะถือศีลได้ได้ก็ไม่นาหมายควาว่าจะถือได้นานหรือไม่นาน ถ้าถือศีลแปดได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ว่าเรามีสติมากหรือน้อยถ้าเรามีสติมากคอยควบคุมใจให้หยุดคิดถึงเรื่องที่เราจะไปทําทางตาหูจมูกลิ้นกายได้โอกาสที่เราจะไปทําทให้ศีลแปดขาดมันก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าเราครวบคุมความคิดไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา อยากไปกินอาหารพอตกเย็นพอ ค, คิดถึงอาหารแล้วก็จะเกิดความหิวความทรมานใจขึ้นมาอาก็อาจจะรักษาศิ้นแปดไม่ได้ขอขอยกเลิกศิ้นปดขอกลับไปถึงศิ้นห้าแต่ถ้าเราหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือ ด, ด้วยการสวดบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปสลับกันก็ได้อ คำบริกรรมนี้จะเป็นบทพุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือถ้าจะใช้สั้นสั้นยาวหน่อยก็พุทธังสารนังกระฉามิก็ได้ยาวกว่านั้นจะสวดบทอิติปิโสก็ได้โดยอยากจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นเช่นใช้อาการสาสบสองของร่างกายก็ท่องไปก็ได้ท่องอาการสามสิบสองไปจะเป็นภาษาบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้ ภาษาไทยก็ดีจะได้เข้าใจความหมายได้ด้วยถ้าภาษาบาลีก็ว่าเกสาโลมานาขาธันตาตาโจไปถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่าผมขนเลบวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปหรือถ้าเราชอบท่องบทพระสูตรต่างๆก็ท่องไปจะสวดบทธรรมจักรกับปวัตนะสูตรก็ได้ถ้าเรามีความจาดีท่องท่องจาได้ก็เอาการท่องจาบท พระสูตรเหล่านี้มาเป็นการเจริญสติได้เหมือนกันใช้แทนพุทธโธได้เช่นเวลาเราจะนั่งสมาธิแล้วเราจะให้ดูลมหายใจเขาออกมันก็ไม่ยอมดูให้อยู่กับพุทธโธมันก็ไม่ยอมอยู่ล้วอาจจะต้องใช้บทสวดมนต์ยาวๆมันจะถึงจะอยู่ได้เราก็ลองสวดบทอิติปิโสไป ส, สวดโดยสวด สวดพระสูตรต่างๆที่เราจําได้การสวดบทสวดมนต์ต่างๆเรานี้จะเลือกสวดบทไหนก็ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เรามีสติที่จะทําให้เรายับยั้งความคิดปุงแต่งต่างๆได้ที่จะทําให้ใจเราสงบตัวลงได้ถึงแม้ว่าจะไม่นิ่งร้อยเปเซนก็จะทําให้เราสามารถที่จะมาจดจ่อเฝ้าดู ลมหายใจเข้าออกได้เพราะการที่จะทำให้ใจหรือจิตนิน่งอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นี้จะต้องจดจ่อเพ่งดูอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งหรือบริกรรมคำใดคำหนึ่งเพียงอย่างเดียวเช่นบริกรรมพุทโทพุทโทไปอย่างเดียวนี้ก็สามารถทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้หรือถ้าดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ที่กลางหน้า อ, อก จุดใดจุดหนึ่งไม่ย้ายไปย้ายมาให้สักแต่ว่ารู้ว่าลมกําลังเข้าลมกําลังออกลมสั้นก็รู้ว่าสัน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ลมหายไปแล้วก็อยู่กับความว่างไป อยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆไปว่าตอนนี้ไม่มีลมไม่มีลมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ารู้อยู่นี้รับรองได้ว่าไม่ตายไม่ต้องกลัวไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมเข้าออกมีแตจจ่จะรวมเข้าสู่สมาธิจะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้จะมีความสบายอกสบายใจอย่างยิ่ง อันนี้คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราหมั่นฝึกสติจเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาจิตสงบนิ่งก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดอย่าปล่อยให้มันออกไปรู้อะไรบางคนจิตนิ่งแล้วไม่ยอมอยู่กับที่เป็นจิตแบบเขาเรียกว่าซุก ส, สนอยากรู้อยากเห็นก็อาจจะไปรู้พวกกายทิพย์ก็ได้อาจจะไปได้พบปะกับพวก พูดผีปีศาจผีสางนางฟ้าเทวดาพวกกายทิพย์ต่างๆหรือไปรับรู้ความคิดของผู้อื่นก็ได้หรือไปนัึกถึงชาติต่างๆที่เคยผ่านมาก็ได้อันนี้เป็นจิตที่ไม่นิ่งพอเข้าสู่ความสงบแล้ว อ, ออกไปรู้เรื่องราวต่างๆแต่เราสามารถดึงมันกลับมาได้ถ้าเรามีสติถ้าเรารู้ว่าการที่เราไป ไปรู้เห็นสิ่งต่างๆเหล่ า, า น, นี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะมันไม่สามารถทำใจให้เราระ ง, งับความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราทำใจให้นิ่งเฉยๆนี่ใจเราจะมีอุบเบกขาจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากจะทำให้เวลาที่เราฝืนความอยากนี้จะไม่รู้สึกทรมานใจสังเกตดูเวลาเรามีความอยากนี่ ใจเราจะสั่นพออยากได้อะไรขึ้นมานี้ใจมันจะสั่นมันจะไม่มีความสุขมันจะหายสั่นต่อเมื่อเราไปทําตามความอยากแตถ้าเรารู้ว่าการทําตามความอยากไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะความอยากมันจะไม่หมดไปความอยากมันจะกลับมาอยู่เรื่อยๆตามใดที่เราไปทําตามความอยากความอยากมันจะหายไปต่อเมื่อเราไม่มไปทําตามความอยากเร า, า, าก็ต้องทน อย่าไปทำตามความอยากแต่ใจเราจะไม่สัน่นถ้าเรามีสติที่จะทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาได้ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเวลาอุเบกขาหายไปเราก็ใช้สตินึ่งกลับมาได้เราก็จะไม่ทุกข์ทรมานเวลาที่เราจะต้องฝืนความอยากกันแล้วความอยากมันก็จะไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งการให้เราไปทำตามคำสั่งของมันได้ต่อไป มันจะไม่สามารถมาเขยา่เยาเขย่าใจให้เราสั่นให้เราหวั่นไหวได้ต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่เหนือความอยากได้เป็นเจ้านายของความอยากตอนนี้เราเป็นทาสของความอยากเวลาความอยากสั่งป๊อบนี่เราต้องรับใช้มันทันทีเพราะเรากลัวฤทธิ์ของมันเวลาละที่เราไม่ได้ทําตามความอยากนี่เราจะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจ เศ้าสซอยหงอยเงา ว, ว้าวเวนี่คือฤทธิ์ของความอยากเวลามันสแสดงอาการออกมาแล้วมันจะสแสดงความรู้สึกเหล่านี้มารบกวนใจเราแต่ถ้าเราฝึกสมาธิขั้นระดับอุเบกขาได้แล้วเราจะสามารถใช้สมาธิแบบอุเบกขานี้มาระงับความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆได้ความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจรู้สึก ว, าว่าวเวเศร้าซอ้อยหงอยเงาวนี้จะไม่เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีความอยากเพราะเราจะมีอุเบกขาทำให้ใจเราเฉยกับความอยากได้ฝืนความอยากได้ไม่ต้องตอบสนองความอยากความอยากมันก็จะไม่สามารถที่จะมาเขย่าใจเราได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นขั้นของระดับสมาธิและปัญญาปัญญาก็คือให้เรารู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆนี้เอง การทำตามความอยากนี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจแต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะทำให้เราเสียใจเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงพอมันจากมันก็จะทำให้เราทุกข์ดงเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรา เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อันนี้คือปัญญาให้เราสอนใจให้รู้อยู่ว่าการไปทำตามความอยากนี้จะพาเราไปพบกับความทุกข์มากกว่าความสุขแล้วความอยากมันก็จะไม่หมดมันก็จะมาสร้างความกวลกังวายกระสับกระส่ายให้กับใจวิธีที่จะกระแก้มันก็คือต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาสอนใจ ใช้สมาธิหยุดความสั่งเวลาเกิดความอยากแล้วใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่วิธีดับความทุกข์แต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์วิธีดับความทุกข์ก็ต้องไม่ทำตามความอยากคือละความอยากถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ทำตามความอยากเราจะเห็นโทษของความอยากพอเราไม่ทาตามความอยากพรเราเห็นโทษ ต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับมาต่อไปกลับมาเราก็ไม่ทําตามความอยากอยู่ดีความอยากมันก็จะหมดอิทธิพลไม่สามารถที่จะมาสั่งให้ใจเราไปอยากได้ไม่สามารถสั่งให้ใจเราไปเกิดใหม่ได้อีกต่อไปการที่เรามาเกิดนี้ก็เพราะว่าความอยากสั่งให้เรามาเกิดกันความอยากมันจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็สั่งให้เราไปหาร่างกาย ไปหาตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่มันจะได้สัมผัสกับความกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่อพอไม่มีความอยากมาสั่งใจได้ใจก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่อีกต่อไปใจก็อยู่แบบไม่มีร่างกายได้อย่างมีความสุขมากกว่าการมีร่างกายมีร่างกายแล้วก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกาย แล้วก็มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมาทุกกับการพัดภากจากสิ่งที่เราหามาได้พัดภากจากบุคคลที่เรามาพบปะมารู้จักพอไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภากจากกันเวลาจากกันก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนนี่คือวิธีปฏิบัติวิธีทาความเพียรเราต้องทำความเพียรด้วยการศึกษา ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำทานให้เรารักษาศีลรักษาศีลห้าักษาศีลแปให้เราเจริญสติให้เรานั่งสมาธิแล้วให้เราเจริญปัญญาการปฏิบัติธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเพียรพยายามถ้าเรามีความเกียจข้านการปฏิบัติธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียร พยายามทำสิ่งที่พุทธเจ้าสอนให้เราทำพยายามทำทานเวลาที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวเงินไปซื้อข้าวของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญทาทานเสียหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จาเป็นในอนาคตก็ได้แต่อย่าเอาไปใช้กับความอยากแล้วต่อไปความอยากมันจะไม่มากดดันให้เราต้องไปหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆเราจะทาให้เรารักษาศีลได้นั่งสมาธิได้จเจริญปัญญาได้ หลุดพ้นจากความทุกขได้หลุดพ้นจากความทุกขได้ด้วยความเพียรพยายามปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละจึงขอฝากเรื่องของการทําความเพียรที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้ท่านได้นําเอาไปเพนิพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกา ป, กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยทธามณิโชติราโสยทธาสัพพิตโยวิวาจันโุสัพพโรควินัสตุมาเตภวะโตอันตรายโยสุขิทีขายุโกภะอภพิวาดานสิลิจานิจังวุธาปจายโน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 อย่ามาถามหลังใหม่นะถามต้องถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้แล้วจะให้พิธีกรช่วยอ่านให้วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสาม้หกสิบค่ะย o u t u หนึ่งร้อยห้าแล้วก็วิทยุสิบเอ็ดค่ะรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสามสิบคนค่ะรวมเป็นหกร้อยหกค่ะหกร้อยหกวันนี้ออกมาแล้วลนะ <laughs> จุนขอถามเองคำถามอ้าวเชิญถามได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ทําอาหารแล้วเอใส่เหล้าที่เป็นของจีนนะคะอย่างนี้ผิดศีลห้าไหมคะคนทําไม่ผิดอะ่ะคนกินกแล้วแต่ว่าจะถือบริสุทธมากน้อยเท่าไหร่ถ้าถือว่าเป็นเพียงส่วนผสมของอาหารก็ไม่ผิดเพรากินแล้วไม่ได้เมาไม่เวลากินไม่รู้สึกไม่รู้รสชาติว่าเป็นสุรา กินเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของอาหารเนี่ยแล้วก็แล้วแต่คนคนที่ถือสีหน้าจะจะแปลความหมายเอาเองว่าผิดแล้วไม่ผิดเนี่ยผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้เพรมันไม่ได้กินสุรามันไม่ได้ตั้งใจกินสุราม <c oughs> เหมือนกับที่เราไปเปิดขวดมาแล้วเทลินใส่กินอย่างนั้นไอ้นงงั้นผิดแน่ๆแต่อันนี้มันเป็นเพียงประโยดสองหยดว่อ เปรียบเทียบสัสดส่วนที่เรากินกับเทใส่แก้วเนี่ยมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนังไงก็แล้วแต่บางคนเ้าเข่งร้อยเปอร์เซ็นาก็ว่าผิดนะบางคนเขาถือหลักว่าไม่ได้กินเพื่อให้เกิดการมึนเมาและไม่ได้กินเพื่อเพื่อเป็นสุรากินเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของอาหารเหมือนชูรสเหมือนน้ำปลาก็ อ, นนอันนี้การตัง้งแมบอกคุณแม่ว่าให้ไม่ใส่ได้ไหม<อ>คุอแม่เขาก็ทำไมก็ไม่ไปไนไรเขาใส่ก็ปล่อยเขาใส่ไปเราก็จะเรากินแล้วเราไม่เมาก็เรากันหนูจะนั่งถา ม, ถามเรื่องสมาธิค่ะหลวงพ่อหนูนั่งสมาธิทุกทุกวันพุทโธแล้ว เรื่องโกรธหนูก็ข้ามทุกครั้งที่หนูมาถามบอกพ่อหนูก็ไปปฏิบัติแต่ตอนนี้หนูนั่งถึงเวทนาตัวเองแล้วก็มันก็ผ่านไปหนูก็พุทถึงเวทนาเสร็จแล้วมันก็ผ่านผ่านเวทนาแล้วหนูก็พุทโทต่อพอนั่งไปหลุดเวทนาแล้วพุทโทต่อหนูมีคําถามในใจอีกขึ้นค่ะหนุ่พ่อค่ะว่าแล้วไปไหนต่อคะอ่าก็อย่างนี้เราก็จะรู้จักวิธีสู้กับความเจ็บของร่างกายอะ ขั้นต่อไปก็ไปสู้ความตายดูเลยไปนั่งที่ไหนเรากลัวอะไรก็ไปนั่งที่ไปอยู่ที่เรากลัวดูแล้วก็ดับความกลัวด้วยการใช้พุทธโธนี่<ม>กลัวผีก็ไปนั่งในป่าชา้าที่ไหนมีผีพอเกิดความกลัวแล้วก็ใช้พุทธโธเหมือนกับเราใช้กับความเจ็บมันก็แบบเดียวกันเนะีนี่มันยา่าตรงหนูอยู่บ้านเลคะอ๋อก็ ก็ยังทําไม่ได้ก็ก็อยากเพิ่งทำเลยเมื่อยังทําไม่ได้ก็ต้องทําไปแค่นี้ก่อนใช่ไหมใช่ทำแค่นี้ให้มันชํานาญก่อนก็ได้เรวจะเปลี่ยนวิธีสู้กับความเจ็บแทนที่จะใช้พุทธโธก็ใช้ความจริงก็ได้เอความจริงก็คือความเจ็บนี่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันได้หเปล่าบังคับมันได้เปล่า ม, มันจะมามันจะไปเราไปสั่งมันได้ไหมไม่ได้อออ่ เวลาเรามันมาแล้วเราไม่อยากให้มันมานี่ใครใครทุกข์อ่ะถ้าเราถ้ามันมาแล้วเราอยากให้มันมาเราจะทุกข์หมเ้คก็เปลี่ยนใจเราอย่าไปอยากเวลามันมาก็อย่าไปอยากให้มันไปมันมาก็อยากให้มันมาถ้ามันมาตามที่เราอยากมันเราก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่เเจ้าค่ะอ คือถ้าหนูก็นั่งอย่างนี้ไปทุกวันก็คือท่านเรายังหาที่ที่เรายังกลัวไม่ได้เราก็ปฏิบัติที่บ้านเราแบบนี้คือพูโทโธไปเจอเวทนาแล้วก็พิจารณาอย่างที่หลวงพ่อสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมเจ้าคะ่าาะก็ยังไม่ถึงเหตุตอนนั้นก็พิจารณากับความเจ็บไปก่อนก็ได้อาจจะเปลี่ยนวิธีแทนที่จะใช้พูดโธพูดโธรก็คือทําใจอยู่กับมันยอมรับมันเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ หลวงพ่อคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเจ้าคะ่ะหนูพิจารณาพอเห็นทุกผ่านเรื่องเวทนาเจ็บที่ร่างกายแล้วหนูก็พุดโธไปเห็นร่างแฟนหนูเหมือนแบบนอนตายเจ้าคะ่ะแล้วแต่หนูไม่กล้าแล้วหนูก็ออกอะคะ่ะหนูกลัว อ, อย่างนั้นใช่หนูหนูกําลังไม่ได้หลงแต่หนูกําลังจะเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมคะหนูกลัวก่อนเออก็ต้องดูความจริงนะต่อไปเข้าก็ต้องตายไม่ใช่เหรอ ค่ะแต่หนูกลัวแบบมันบวมแล้วหนูไม่กล้ากลัวอะไระกลัวผีอ่าผีอยู่งไหนน่ะกลัวศพก็ได้ค่ะถ้าแปลไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วเรานอนกับศพทําไมนอนได้น่ะตอนนั้นยังไม่เป็นศพเลยตอนนั้นยังหายใจอยู่ค่ะพอไม่หายใจก็เป็นศพแล้วมันมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าร่างกายมันก็ยังมีอาการทารกที่สองเหือนเดิมอยู่หรือเปล่าแล้วมีอยู่วันหนึ่งเห็อย่างนั้นแล้วหนูก็อ๋อหนูกลัวอ แสดงว่าถ้าหนูพิจารณาไปเห็นในร่างกายอย่างนั้นให้หนูพูดโทแล้วเพ่งไปใช่ไหมเจ้าค่ะให้ดูว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะต้องขึ้นเอืดพองเขียวช้ำแล้วก็คือหนูเห็นแค่บวมหนูก็หนูกลัวเลยหนูบออย่างนั้นยังไม่ถูกใช่ไหมะหนูต้องไปใจยังไม่กล้าพอยังไม่ยอมมองเห็นความจริงไม่กล้าค่ะยังไม่สู่ความจริงค่ะสะเ คำถามจากทาง Youtube จากคุณทิปกจตาผมมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบตัติคือกว่าสมปีแล้วตอนที่ใจมันไปเห็นว่ากำลังคิดผมจะมีอาการฟันกระทบกันและตากระพริบสลับกันบางครั้งก็พร้อมกันเป็นได้ทั้งตอนเดินจงกรมและตอนอยู่ในชีวิตประจาวันพอเกิดแล้ว ส่วนใหญ่จะแค่เพียงมาช่วยให้ตัดความหลงคิดไปในอารมณ์น้อยครั้งที่มันจะแสดงสภาพธรรมในแง่ต่างๆให้เห็นลักษณะเช่นนี้ควรแก้ไขหรือส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างไรครับไม่เข้าใจความหมายมันหนูก็งงค <c oughs> ่ะฮะก้าวหน้ายังไงตอนนี้อยู่ยังไงตอนนี้อะไรนะั้นลองลองอ่านมาใหม่ดิ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 ลักษณะเช่นนี้ควรแก้ไขหรือส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างไรครับ อ, อ๋อการมีสติรู้ว่าเราคิดแล้วหยุดความคิดได้มันก็หยุดได้แค่นั้นจะไปให้มีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมานี้เราต้องผลิตมันขึ้นมาเองเช่นอยากจะเห็นสุภาษก็ต้องนึกมันขึ้นมาอยากจะเห็นอาการ32ของเราก็ต้องนึกมันขึ้นมานึกขึ้นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมา แต่อยู่ดีๆจะรอให้มันโผล่ขึ้นมานี้บางทีมันไม่โผล่นอกจากว่าอาดีตเราเคยสร้างมันไว้แล้วเคยนึกไว้แล้วก่อนพอจิตสงบไออาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอะไรโผล่เราก็ต้องสร้างมันเหมือนกับเราไม่ได้ไปถ่ายหนังเอาไว้มาเก็บไว้ในเครื่องพอจะเปิดดูหนังมันก็ไม่มีหนังให้ดู ถ้าไม่มีหนังให้ดูเราก็ต้องไปฉายหนังมาเราจะได้ดูหนังได้เราก็ต้องสร้างหนังขึ้นมาถ้าเราอยากจะเห็นอสุภะเราก็ต้องนึกถึงอสุภะเรื่อยๆนึกถึงสร้างศพสิบชนิดศพตายใหม่ศพขึ้นเอืดศพเขียวช้ำศพแตกกระจายออกไปนำไส้ทะลักออกมามีน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลกระซิบออกมาเอ ศพที่ถูกตัดแขนตัดขากระจายกนันออกไปคนละทิศศพที่แห้งกรอบเหลือแต่กระดูกนี่ถ้าเราอยากจะเห็นอาการเหล่านี้เราต้องสร้างมันขึ้นมานึกมันขึ้นมาก็เรียกว่าพิจารณาอสุภะพิจารณาบ่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจเราแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบบับมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้ คำถามจากคุณนลิศราเห็นจากตัวอย่างที่เขาทุกข์จากครูครองอย่างมากเห็นแล้วกลัวมากกว่ากลัวผีค่ะกราบเรียนถามว่าที่ว่าเราเลี่ยงจากกรรมเดิมไม่ได้แล้วจะทาอย่างไรในการไม่ต้องเจอคู่ไปตลอดทุกภพชาติคะออก็อย่าไปทําตัวให้เราสวยเลยอย่าไปอาบน้ำทั้งวันเดี๋ยวคู่ที่อยู่กับเรามันก็ทิ้งเราเองอะ เราไปชอบไปทาให้เข้ามาติดเราเองนี่ใช่ไหมเหมือนน้าตาล เ, เ, เนี่ย น, น้ําตาลมันก็ร่อบดท่านั้นเลยทำน้ําตาลให้มันเป็นเกลือไปสิพอเกลือนี้มดไปขึ้นแล้วเข้าใจไหมทำร่างกายเราอย่าให้มันสวยทําให้มันเป็นอสุภะเนีย่ยเหมือนกินให้มันอ้วนไปเลยก็ได้ <laughs> <laughs> เรารับรองได้ไม่มีใคร <laughs> คำถามเจ้าคุณอภิสิทธิ์บุญที่เราทำไปแล้วจำเป็นต้องนำกลับมาระลึกใหม่อยู่เนืองๆหรือไม่ครับส่วนตัวผมคิดว่าทำบุญไปเรื่อยๆทำจนเคยชินเป็นนิสยัยไม่ต้องระลึกแบบนี้ถูกผิดประการใดครับออไม่ต้องระลึกหรอกมันเหมือนกินข้าวนะกินแล้วมันก็อิม่มไม่ต้องไปนึกถึงมันอแต่แต่ว่าบุญมันมนอิ่มนานกว่าข้าวมันทาให้เราไม่หิวไง มันลองที่เราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราถึงจะรู้ไวาทำไมคนนี้มันต้องไปทํานู่นทํานี่ดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่เพราะมันใจมันหิวไอเราทำไมอยู่เฉยๆไม่รู้สึกเดือดร้อนอันนี้เป็นเพราะเรามีบุญเราได้ใจเราอิ่มใจเราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปนู่นมานี่ต้องไม่ต้องไปทํานู่นทํานี่ดูนั่นดูนี่อันนี้ น, นี่คืออา น, นิสงส์ของบุญ ทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราไม่หิวโหวยไปกับความอยากต่างๆแล้วก็แต่เราอยากจะนึกก็ได้วันไหนเรารู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายใจก็นึกถึงบุญที่เราทำขึ้นมามันก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาคาถามจากคุณชัดเจนอายุยังน้อยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวถือเป็นกรรมเก่าไหมครับก็เป็นกรรมใหม่นะีมาเกิดในชาตินี้เนะี่ย ้าไไมมมม่่เกกิดั น, น็ีโามมาคำถามจากคุณเอหลังจากปฏิบัติหัดนั่งสมาธิมาสักพักใหญ่ช่วงหลังๆบางครั้งจิตคิดอกุศลขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยค่ะหนูจึงพยายามดึงจิตกลับพุทโธพุทโธเป็นแบบนี้หนูจะบาปไหมคะและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไงคะ อ่าไม่บาปหรอกมันเป็นอกุศลยังไม่ได้ไปทำถ้ายังไม่ได้ทำทางกายทางวาจายังไม่บาปแต่มันเป็นเหมือนจุดไฟจุดไม่ขีดถ้าเราจุดไม่ขีดแล้วเราไม่ไปอยาดเข้าไปกับที่เชื้อไฟไฟมันก็ไม่ลุกเดี๋ยวไม่ขีดมันก็ดับไปเองแต่ทางที่ดีโยนไม่ขีดทิ้งไปได้ยิ่งดีกว่าการจะทิ้งไม่ขีดได้ก็ต้องปล่อยให้มันหมดก่อนคือต้องใช้ อันนีเนเน้เป็นเรื่องของกรรมเก่าเรานิสัยและเก่าวเราชอบคิดไม่ดีชอบคิดอกุศลมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หมดเองอย่าไปทําตามมันก็แล้วกันแต่จะไปห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เ, ออเรื่องของกรรมก็ได้เรื่องของนิสัยเคยคิดมาในทางนี้มันก็จะคิด แต่พอเรารู้ว่าไม่ดีต่อไปแล้วไม่ไปส่งเสริมมันต่อไปมันก็จะหมดไปเองคําถามจากผู้ฝากถามบนเขาหลวงพ่อมีวิธีแนะนําอย่างไรหากจิตมักเข้าร่องว่างจากสมาธิที่เคยทํามายาวนานซึ่งรู้สึกว่าจิตไม่อิสระแต่เมื่อปล่อยจากว่างก็ทุก์จากการปวดศีรษะและสั่นสะเทือนยิบยับในอกเป็นระยะเป็นระยะระยะ ต่อเนื่องมานานแล้วค่ะอ๋ออย่านั่งเฉยๆสิต้องมีพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาถ้าไปสนใจมันก็จะติดอยู่อย่างนี้อย่าไปสนใจให้พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปหรือไม่ใช้พุทโธก็ดูลมหายใจไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา เดี๋ยวพอจิตสงบแล้วอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองคำถามจะคุณประพัสสอนบ่อยครั้งเลยที่ตัวหนังสือลอยมาให้เราเห็นในอากาศมันคืออะไรคะก็มันไม่ใช่ตัวเลขไง <c oughs> <c oughs> วันหลังลองให้ตัวเลขลอยมาดูบ้างสิ <c oughs> มันก็เป็นจินตนาการของจิตนะจิตมันชอบคิดชอบปรุง มันก็แล้วแต่มันชอบปรุงเรื่องอะไรมันก็ปรุงเรื่องนั้นมาให้เราดูเมื่อกี้คนนั้นก็บอกปรุงเรื่องอกุศนมาให้ดูอันนี้ก็ปรุงตัวอักษรมาให้ดูเดี๋ยวบางคนก็ปรุงตัวเลขมาให้ดูแต่ละคนแล้วแต่จิตมันชอบแบบไห น, นมันก็จะปรุงไปแบบนั้นอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องไร้าสาระทั้งนั้นค <c oughs> าถามจากคุณบุญทรงขอความเมตตาจากท่านพรับอาจารย์ ช่วยให้ความประจ่างของมรสมังคีค่ะมร์แปลว่าทางเนสมัคคีแปลว่าความสามัคคีมร์มี8องค์เวลามีครบ8องค์เขาเรียกมร์สามัคคีครบชุดเข้าใจไหมถ้ามีครบชุดปั๊บมร์ผลนิพพานก็โผล่ขึ้นมาทันทียังนั้นก่อนที่จะมีมร์ผลนิพพานได้มร์ต้องสามัคคีต้องมารวมกันให้ครบ8องค์ ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยพอเราสร้างมรรคต่างๆองค์ที่มีแปดองค์นี้ได้ครบเมื่อไหร่เราก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คำถามจากคุณจีจี้จุงใจจะไปคิดถึงอนาคตของลูกกลัวเขาเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนิวร์อย่างหนึ่งที่ทําให้การปฏิบัติภาวนาไม่ถึงไหนกราบถามพระอาจารย์ว่าจะปล่อยวางเรื่องลูกอย่างไรเจ้าคะอ๋อก็คิดต่อไปสิอย่าไปคิดแค่มหาวิทยาลัยสิคิดไปถึงตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายอคิดไปให้มันจบไปคิดครึ่งเรื่องมันก็วุ่นวายนี่ต้องไปคิดตอนที่มันจบแล้วมันจะไม่วุ่นวายถ้าคิดถึงอนาก็ก็คิดถึงตอนตาย ถ้าตายแล้วก็ไม่วุ่นวายมันจะจบไม่จบมันก็ตายเหมือนกันะมันจะแก่ไม่แก่มันก็ตายเหมือนกันมันจะเจ็บไม่เจ็บมันก็ตายเหมือนกัน น, น, ก น, กนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอะไรเพราะในที่สุดมันก็ตายอารคิดเท่นั้นคําถามจากคุณชนะตนไปปฏิบัติมาแล้วรู้สึกไม่อยากกลับมาทํางานเลยรู้สึกว่าเป็นนักบวชสบายกว่าเยอะเพราะไม่ต้องมีภาระอะไร หน้าที่แค่มีสติแล้วฝึกสมาธิให้ได้ทั้งวันโยมก็ทําได้โดยไม่อึดอัดแค่ขี้เกียจทํางานทางโลกแต่ไม่ขี้เกียจภาวนาไม่ทราบว่าคิดอย่างนี้ถูกกิเลสหลอกไหมครับมันเป็นเขาเรียกคิดตอแหลไงเพราะถ้ามันคิดจริงมันต้องไม่กลับมาแล้ว <c oughs> ถ้ามันคิดแล้วมันยังกลับมาก็แสดงว่ามันกิเลสหลอกแล้วล่ะ แม้เวลาเวลาอยู่ก็แม้อยากจะกลับบ้านเพรากลับบ้านก็คิดไม่อยากกลับนี่มันกิเลสมันจะหลอกเราให้เราทําให้เรารู้สึกสบายว่าเออเรากลับมาด้วยความเสียดายแต่ความจริงมันอยากจะกลับลึกๆมันอยากจะกลับมันถึงกลับมาถ้ามันไม่อยากจะกลับมันไม่กลับมาแล้วเข้าใจมหมฉะั้นมันถึงพูดว่ามันเหมือนกับมันตอแหลมันหลอกเราอย่างนี้คําถามเจ้าคุณธงชัย ทุกวันนี้ต่างก็มีผู้ตั้งตนเป็นครูเป็นอาจารย์ออกมาสอนอย่างเช่นต้องสวดมนต์บทนั้นบทนี้กี่จบก็ว่าไปแล้วชีวิตจะไม่ติดขัดชีวิตจะไม่ลำบากแล้วพอมีคนนำไปปฏิบัติก็จะเอามาโชว์ว่าถูกหวยมีโชคมีลากคําสอนแบบนี้จะนำพาให้คนหลงหรือเปล่าเจ้าคะหลงแล้วก็คาสอนนี้ไม่ได้ เพื่อให้คนร่ําคนรวยเพื่อให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายัางสอนให้ร่ําให้รวยอยู่ก็แสดงว่าหลงกันแล้วเพราะความรวยมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายมันก็จบมันก็จนกันทุกคนเดี๋ยวก็ไปโจนกันที่ตอนตายเนี่มีใครรวยบ้างหรือเปล่าเวลาตายเนี่ยบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้คําถามจากคุณธรรมชาติการปฏิบัติธรรม เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติคือของจริงที่เกิดขึ้นเราหนีไม่พ้นใจเกิดการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใจเริ่มมีการปล่อยวางมีความอยากน้อยลงทุกข์น้อยลงอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องไม่น้อยลงมันต้องหมดเลยแต่ยังน้อยลงก็ยังไม่ถูกต้องความอยากหมดเลยความทุกข์หมดเลยอย่างนั้น่ะถึงจะถูกต้อง ถ้าน้อยลงได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมากขึ้นได้มันลงได้มันก็ขึ้นได้เข้าใจไหมกิเลสมันชอบหลอกเรานะมันหลอกให้เราลงนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเผลอมันขึ้นไปมากกว่าที่มันลงมาอย่างนอย่าตายใจอย่าไปคิดว่าคิดอย่างนี้เราจะจะสําเร็จมันไม่สําเร็จจะสําเร็จก็ต่อเมื่อมันหมดเมื่อมันความอยากหมดความทุกข์หมดทีนี้ตายใจได้นะถ้ามันยังน้อยลงนี่อย่าไปอย่าไปประมาทเนี่ย เดี๋ยวโดนมันตลบหลังเรากิเลสมันชอบหลอกเราหลอกเราว่าโอ๊ยกำลังอยากน้อยลงทุกน้อยลงเดี๋ยวพอเผลอโดนมันใช้หมัดเด็ดขึ้นมาล้มเลยทุกคำถามจากคุณแมวมีคนพูดว่าใส่บาศใส่บาศพระอรหันต์หนึ่งลูกเท่ากับได้ใส่บาทพระสงฆ์ห้าหมื่นลูกแล้วถ้าได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งเปรียบเหมือนพ้า อ, อรหันของลูกเป็นอย่างดีจะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะมันเปรียบเทียบแบบนี้มันไม่ได้หรอกคือมันใส่บาตรองค์เดียว ม, มันจะไปเหมือนกับใส่บาตรห้าหมื่นองได้งไงว่าอาหารมันก็แค่ใส่บาตรได้บาทเดียวไอ้ห้าหมื่นองมันจะเอาอะไรกินอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> ความหมายก็คือว่าบุญที่ได้จากการใส่บาตรกับผ้าอรหันด้วยกับพ่อแม่เนี้ย มันเหมือนกับได้ทำบุญหลายๆครั้งถ้าทำบุญกับคนอื่นบุญจะได้ถ้าว่าทำบุญกับพ่อแม่นี่ได้ห้าพันห้าพันบุญแต่ถ้าทำบุญกับคนอื่นอาจจะได้แค่ร้อยเดียวต่างกันตรงนี้เพราะว่าบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของพราอหันต์มีกับเรามากเราทำบุญกับพ่อแม่เราก็จะได้ผลบุญตอบแทนกับเรามากคำถามจากคุณสันพบ คำว่าจิตพิสูจน์หมายถึงผลของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับก็คำว่าพิสูจน์ก็บริสุทธิ์ไงสะอาดสะอาด จ, จากโลภโกรดหลงสะอาด จ, จากความอยากต่างๆก็เกิดจากการซักพอกด้วยศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเหมือนเครื่องซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คำถามจากคุณบีนา ถ้าพบเงินสองพันบาทตกอยู่ควรทำอย่างไรคะก็ <c oughs> ถามหาเจ้าของถ้าหาไม่ได้ก็วางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปคำถามจากคุณอภิวัต์การดับตัณหาที่ง่ายที่สุดดับอย่างไรครับง่ายที่สุดนะก็อย่าไปทำตามมันเลยเวลามันอยากก็อย่าไปทำตามมัน ฉันอยากสู่กุดิก็ไม่สู่อยากเที่ยวก็ไม่เที่ยวก็เท่านั้นเองถ้าไม่ทาตามมันได้มันก็จะดับมันก็จะไม่กลับมาอีกคำถามจากคุณอูทำอย่างไรให้ตัวเองมีพุทธจริตเหมือนบางคนที่เรานับถือคะขณะนี้ตัวเองเป็นโมหจริตเจ้าคะ่ะเราก็ตักศึกษาพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติให้มากๆก แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นพุทธเจริตขึ้นมาตอนนี้คําถามหมดค่ะหลวงพ่อพระอาจารย์คะคือปัจจุบันเนี้ยแฟนหนูก็ยังกินเหล้าทุกๆุกทุกวันเป็นใช้ชีวิตปกติแล้วหนูก็รู้สึกด้วยฟาร์มที่ตัวเองมองมองคนในบ้านแล้วก็หนูแต่ก่อนหนูจะทุกข์แต่ตปัจจุบันเนี้ยหนูไม่ทุกข์แต่หนูกับใช้ว่าน่าสงสาร แต่แต่หนูพอมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั่งสมาธิมากๆหนูคิดว่าเอ๊ะตัวใครตัวมันเจ้าค่ะหลวงพ่อทุกคนก็ต่างไหวยน้ําหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะก็กินข้าวใครกินแทนกันได้ไหรือเปล่า <S <S วเวลากินข้าวเราไปห่วงเขาได้ไหมเว่ากินเผื่อเขาได้หรือเปล่าเขาจะกินไม่กินก็เรื่องของเขาการใดการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนการให้อาหารกับใจใก็ต่างคน ต, งต่างต้องให้กันเอง ถ้าไม่กินอาหารอยากจะกินยาพิษก็ช่วยไม่ได้แต่จิตหนูรู้สึกสงสารเขาได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้สงสารแต่สงสารแล้วทําอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะแต่ใจแค่นึกเฉยเฉสงสารแล้วทุกก็ไม่ถูกถ้าสงสารแล้วไม่ทุกก็ถูกไม่ทุกคะ่ะนั่งสมาธิไปเลยเจ้าค่ะยังไม่มาเลยอ่าใครพิมพ์คําถามอยู่ก็รีบพิมพ์นะ มี youtube มาหนึ่งคนคะ่ะจากคุณชนนิการถ้าเราไม่มีเงินทําบุญมีวิธีไหนบ้างที่ทําแล้วได้บุญและได้อนิสง์มากเจ้าคะก็มีวิธีทําบุญอย่างอื่นเช่นให้อย่างอื่นได้เราไม่มีเงินเรามีเสื้อผ้ามากเกินไปเราไม่อยากจะเก็บเอาไว้ใช้เก็บไว้เป็นภาระเราก็เอาไปให้คนยากคนจนคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ อันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันให้สิ่งของไม่มีเงินก็ให้สิ่งของเมื่อให้สิ่งของหมดแล้วยังอยากจะให้อยู่ก็ให้วิชาความรู้ได้เรารู้อะไรเราก็ไปสอนคนโดยไม่คิดเงินรู้จักวิธีทำกับข้าวก็ไปสอนคนให้เขารู้จักทำกับข้าวแต่ต้องสอนคนที่เขาอยากจะรู้นะอย่าไปสอนคนที่เขาไม่อยากจะรู้ ถ้าเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เราก็ไปสอนเด็กก็ได้ <c oughs> เด็กสมัยนี้ชอบเรียนพิเศษกัน <c oughs> เราก็สอนโดยที่ไม่เก็บตังค์ <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นให้วิทยาฐาน <c oughs> หรือถ้าเรามีธรรมะก็ให้ธรรมะ <c oughs> เราไปวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเวลาใครมีความทุกข์ก็บอกเขาว่าอย่าไปอยากซิถ้าไม่อยากก็หายทุกข์ อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะนอกจากการให้แล้วบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปก็เป็นบุญที่ดีกว่าเสียด้วยซ้าไปาก็พยายามรักษาศีลไปอย่าทำบาปไปถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปขโมยเงินมาทำบุญว่าอย่างอย่างนี้ได้ไม่คุ้มเสียได้ทำบุญแต่ต้องไปทำบาปยัน อ, อย่าไปทำบาปหลวงพ่อคะแล้วคนที่เขา ส่วนมนุ์ไม่เป็นไม่รู้จักศีลห้าแต่ไม่ไม่ไม่ทําผิดศีลห้าเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่รู้เรื่องทางธรรมอะไรเงี้ยเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ได้ไงไม่รู้มันจะไม่ทําได้ยังไงมันต้องรู้สิคนเรามันก็ว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบปล่อยวางง่ายง่ายแต่เขาจะไม่รู้เรื่องธรรมะอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ จะไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ธรรมะอ๋อไม่ต้องสวดธรรมะมันไม่ได้เป็นบทสวดมนต์อย่างเดียวอย่างที่เมื่อกี้คนที่เขาบอกธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความรู้ที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราก็จะปล่อยวางอย่าไปยุ่งอย่าไปทําอะไรอปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาออันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเออ คำถามจากคุณเอถ้านั่งสมาธิจิตสงบนิ่งดีค่ะแต่รู้สึกเมื่อยขาจึงออกจากสมาธิแบบนี้สงบไม่จริงหรือเปล่าคะ<อ>และต้องแก้ไขยอย่างไรคะก็ต้องทําต่อไปสงบครึ่งเดียวยังไม่สงบถึงจุดที่เรียกว่าอุเบกขาถ้าอุเบกขาแล้วจะรู้สึกเวลาความเจ็บก็จะไม่เดือดร้อนก็ปล่อยมันเจ็บได้ะ ยันต้องพุโทโธต่อไปหรือ ด, ดูลมหายใจต่อไปอย่าเพิ่งหยุดนะคําถามจากคุณภัชตาการที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เราซื้อเหล้าให้ลูกน้องกินเราบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่เราไปงสงสัยไม่เขาทําบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทําเพราะเดี๋ยวเขาดื่มเหล้าเมาแล้วเดี๋ยวท ะ, ทะเลาะวิวาทกันก็อนนะืมทําร้าย ก, กันก็ได้ คำถามจากคุณสมพลนั่งสมาธิหมุนติ้วแล้วเห็นแจ้งขนพองสุขขนพองสุขมากๆคืออะไรครับก็นั่งแบบไม่มีสติถ้านั่งมีสติมันไม่หมุนติ้วมันก็จะนิ่งเวลานั่งต้องมีสติคอยกำกับใจอย่าไปนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตมันแสดงอ ะ, อะไรต่างๆออกมา อันนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเพื่อความสงบคำถามจ้กคุณทัศนีใส่บาตรพระตอนเช้าใส่เงินไปในถุงที่เราใส่บาตรได้ไหมครับไม่ควรใส่แล้วเพราะว่าเงินนี้เป็นของที่พระรับกับมือไม่ได้ถ้าอยากจะทวายเงินต้องแยกออกแล้วฝากให้กับลูกศิษย์ลูกหาคำถามจากคุณบีหนะ้าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหรันต์ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่มีศีลไม่มีธรรมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราพูดถึงพ่อแม่เราหมายถึงบุญคุณของท่านที่มีกับเราเหมือนกับบุญคุณกับของพ้าหลานที่มีกับเราพ่อแม่ให้ชีวิตเราให้ร่างกายเราพ่อหลารให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็เปรียบเทียบกันท่านนั้นว่าเป็นบุญคุณไม่ได้ไปเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นพ่อหลาน พ่อมีศีลพ่อบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าบุญคุณของพ่อแม่เป็นเหมือนบุญคุณของพอระอรหันต์แต่เพียงแต่ว่าบุญคุณของพ่ออรหันต์นี่สูงกว่าเพราะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พ่อแม่ให้ร่างกายเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้หลุดพ้นต่อไป พอแล้วไม่คัดของพ่ อ, อ, อถ้ายังมีก็ อ, อีกสักข้อหนึ่งะ ไ, ได้ค่ะคำถามจากคุณลัง <c oughs> ผมบวชเป็นพระอยู่ตอนนี้ผมกลัวมีเรื่องทุกผมกลัวมีเรื่องทุกกายทุกใจอยู่เรียนพระอาจารย์ช่วยนำปลดทุกทีเจ้าค่ะอ๋อก็ภาวนาไปเลยพุทโธพุทโธไปถ้าจิตสงบความทุกข์มันก็จะสงบตัวไปชั่วคราว แล้วถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็ก็หาดูว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากอะไรความทุกข์มันก็อยู่ที่เกิดจากความอยากถ้าเราค้นพบว่าเกิดจากความอยากนั้นเราก็ตัดความอยากนั้นไปพอไม่มีความอยากนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอาณล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจิจารณาไปปฏิบัต